สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบันนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในตอนที่หกของชีวิตพระเยซูนะครับผมได้ค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่ได้อ่านสรุดีบทที่หนึ่งร้อยี่สิบสองนะครับผมอ่านข้อที่สําคัญให้พี่น้องฟังในข้อที่ห้าและข้อที่หกนะครับพระที่นั่งสําหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดข้อหกครับ จงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเรินประวานนี้ผมได้พูดครั้งไว้นะครับในข้อที่ห้ามีวลีที่สําคัญก็คือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดและในข้อที่หกนะครับมีวลีที่สําคัญคือขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจเจริญจงจำเริญพี่น้องครับในข้อที่ห้านั้นได้พูดถึงพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิด ก็มีความหมายถึงพงพันธุ์ของกษัตริย์ดาวิดนั่นเองซึ่งพระราชวงศ์ของดาวิดนั้นเป็นพระราชวงศ์ที่สืบทอดพงพันธุ์เป็นผู้ปกครองอิสราเอลเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพี่น้องครับถ้าเราดูพงพันธ์ของดาวิดนะครับก็จะมีคนหนึ่งก็คือโซโลมอนโซโลมอนนั้นเป็นลูกของกษัตริย์ดาวิดต่อจากนั้นมานะครับแผ่นดินอิสราเอลก็แยกเป็น อาณาจักรฝ่ายเหนือซึ่งเรียกว่าอิสราเอลและอาณาจักรฝ่ายใต้ซึ่งเรียกว่ายูดากษัตริย์สองของอิสราเอลฝ่ายเหนือนะครับก็จะมีกษัตริย์ทั้งหมดสิบเก้าองค์นะครับสิบเก้าพระองค์แต่ทุกๆพระองค์เนี่ยครับนะไม่มีสักพระองค์เดียวที่เป็นกษัตริย์ที่ดีกษัตริย์ที่ดีในที่นี้มีความหมายว่าเป็นกษัตริย์ที่รักพระเจ้าเอาใจใส่ทํานุบํารุงพระศาสนา เอาใจใส่และมีชีวิตอยู่ในครองธรรมอยู่ในพระราชบัญญัติของพระเจ้าไม่มีสักองค์เดียวเลยครับที่เป็นกษัตริย์ที่ดีในความหมายนี้แต่ในพระธรรมแต่ในกษัตริย์ของพงพันของดาวิดนะครับที่สืบเชื้อสายมาก็จะเป็นกษัตริย์ของยูดาห์ครับซึ่งเป็นอาณาจักรฝ่ายใต้หลังจากที่โซโลมอนนั้นได้สิ้นพระชนแล้ว แผ่นดินยูดาห์ก็แตกออกมาเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ครับฝ่ายใต้นั้นมีกษัตริย์ยี่สิบองค์นะครับก็จะมีกษัตริย์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพี่องครับตรงนี้เองก็ในที่สุดพวกเขาก็สิ้นชาติโดยการลุกลานของบาบิโลนซึ่งตรงนั้นก็จะนำมาถึงยุคของดาเนียลนะครับ 70ปีที่เป็นเฉลอยอยู่ที่แผ่นดินบาบิโลนเมื่อแผ่นดินบาบิโลนนั้นได้สูญเสียมหาอำนาจให้กับมีเดียเปอร์เซียนะครับซึ่งเป็นมหาอำนาจใหม่ขึ้นมามีเดียเปอร์เซียนั้นก็ปกครองอิสราเอลซึ่งเป็นเฉลยและในที่สุดเมื่อเวลาครบกําหนดของพระเจ้า70ปีมาถึงบรรดาคนที่พระเจ้าเลือกสรรไว้นะครับนําโดยเอสรานะครับ แล้วก็เซเรบาเบลนะฮะแล้วก็เนหมีสามคนนี้ครับเป็นผู้นำชาวยิวหลังจากเจ็ดสิบปีแล้วพวกเขานั้นก็นำชนชาติอิสราเอลนะครับมาเป็นละลอกละลอกละลอกนะครับอย่างน้อยสามละลอกด้วยกันที่มีการบันทึกไว้ที่มีนยะสําคัญมากๆนะครับก็คือมีเอสราก็จะนำการนมัส ก, การนะครับนาการเอ่อ หรือฟื้นทาให้มันหยัดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีเซร์ลบเบลนะที่เขาไปาทําการสร้างพิวิหารแล้วก็มีเนฮามีครับซึ่งเขาได้นำการก่อสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาเปครับสามคนนี้ครับเป็นบุคคลที่มีนยัยสำคัญมากบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของยิวหลังจากที่เป็นเฉลยแล้วนะครับต่อจากนั้นมานะครับอิสราเอลก็ไม่มีกษัตริย์ปกครองนะฮะ ไม่มีกษตรสับประครองเลยจนกระทั่งมาถึงยุคของพระเยซูครับอีกสี่ร้อยปีหลังจากนั้นเราจะพบว่าไม่มีใครเป็นกษัตริย์อีกเลยเพราะฉะนั้นการอธิบายพ้ำผีตอนนี้นะครับเรื่องของพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดนั้นก็ในที่สุดนั้นก็เล็งถึงกษัตริย์ที่มาก็องค์ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ก็คือผู้ที่ถูกเจิมครับบรรดาผู้ที่ถูกเจิมนะครับในสมัยโบราณก็คือกษัตริย์ และผู้เผยพระนะนะครับและปุโรหิตเท่านั้นครับที่ถูกเจิมหลังจากนั้นปุโรหิตก็มีครับเขาก็มาเรื่อยๆแต่ว่ากษัตริย์ไม่มีครับเพราะฉะนั้นพระเยซูนั้นจึงเป็นกษัตริย์ของพวกยิวที่พระเจ้าเจิมไว้อันนี้เป็นคําพยากรณ์ครับพระที่นั่งสำหรับรการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่เยรูซาเลม็มนั่นก็คือ พวิหารครับและการพิพากษาจะเกิดขึ้นก็คือ ก, กษัตริย์คือองค์พระเยซูคริสต์ในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงเป็นผู้พิพากษาผู้เดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในข้อที่หกครับขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเรินมีความหมายว่าใครก็ตามที่มีความปรารถนามีความรักที่มีต่อกรุงเยรูซาเลม็ม คนคนนั้นจะมีความเจริญคนที่มีความรักต่อกรุงเยรูซาเล็มนั้นมีความหมายก็คือว่าคนที่มีความรักในพระเจ้าและพระวิหารของพระองค์เองพี่น้องครับหลายๆครั้งมีบางคนตีความว่าใครก็ตามที่อวยพรกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจะเจริญแต่ขอให้เราเข้าไปถึงความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นนะครับก็คือใครก็ตามนะครับที่รักพระเจ้า รักพระวิหารของพระเจ้ารักการอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าซึ่งดีกว่าพันวันในที่อื่นๆคนเหล่านั้นครับจเจริญแน่นอนพี่น้องครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับในการที่เราจะเข้าใจพระชนะของพระเจ้าอย่างทองแท้ในการที่เราจะเข้าใจว่าผู้เดียวครับที่จะปกครองและพิ่พกษาในที่สุดก็คือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และในขณะที่เรานั้นจะอวยพรกรุงเยรูซาเลม็มอย่าลืมนะครับว่าให้เราอวยพรเรามีความรักและเราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าใกล้พระเจ้าและเข้าถึงความสวยงามเมื่อเราเข้าพ่อพระเจ้าในพระวิหารนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับปั้งกัมภีร์ลูกานะครับกลับมาถึงเพิ่มพีลูกาตอนนี้นั้นเราจะเห็นได้ครับว่า ไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์อะไรในช่วงเทศกาลเจ็ดวันที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นเทศกาลการฉลองปัสกานะครับแต่ในบทที่สองข้อที่ยี่บสามกล่าวว่านะครับเมื่องานเทศกาลปัสการครบถ้วนตามบทบัญญัติของปัสกาแล้วพวกเขานะครับเป็นพวกพวกที่ได้เข้าไปเป็นกองคารวานนะครับท่านพี่น้องคงจําได้ว่าพระเยซูนั้นมากับกองคารวานพระเยซูก็สมควรกลับนะรับพร้อมๆกับกองคารวาน แสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อกองคารวานออกจากกรุงเยรูซาเล็มจะกลับไปยังนาสเเลสข้อนี้บอกว่าพระเยซูค้างอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มโดยที่มารีและโยเซฟไม่ทราบครับสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับถึงไรเซียพระเยซูก็มีอายุสิบสองปีแล้วผ่านบามิซวาแล้วนับว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วผู้หญิงจะออกเดินทางไปก่อนผู้ชายมารีมารดาของพระเยซู คงจะคิดว่าพระเยซูอยู่กับโยเซฟโยเซฟก็อาจจะไม่ได้คิดว่าพระเยซูไปอยู่ที่ไหนอื่นๆไปอยู่ที่อื่นๆเพราะผู้คนมากมายกําลังเดินทางกลับบ้านหลังจากเทศกาลปรสัสกาสิ้นสุดลงการเฉลิมฉลองก็มีวันเลิกลาพระเยซูก็คงจะกลับปนปะปนกันในหมู่กองคารวานคนที่เยอะแยะมากมายพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเกิดเรื่องราวนะครับที่ยิ่งใหญ่เกิดคําพูดที่ยิ่งใหญ่ครับ ที่ทำให้เห็นถึงว่าภารกิจของพระเยซูนั้นก็โปรงทรงรู้ตัวในขณะที่พระองค์อายุ12ปีแน่นอนนะครับมาริโยเซฟในข้อที่1 4นั้นเดินทางไปวันหนึ่งครับก็เริ่มผิดสังเกตที่พระเยซูไม่ได้มาด้วยก็เลยเที่ยวตามหาในหมู่ญาติของเขาและเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงก็เห็นว่าพระเยซูไม่ได้ร่วมเดินทางมาเลยอะไรเกิดขึ้นครับ ขอพี่น้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในวันนี้ในการทํางานในการประกอบภารกิจต่างๆธุรกิจการทํามาหาเลี้ยงชีพขอพระเจ้าได้อวยพระพรทุกท่านอาเมน